ซึ่งบางคราวก็เกิดขึ้นแรงราคะแรงโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูเพื่อที่จะระงับเสียในบางคราวก็บเบาก็ไปกำหนดพิจารณาดูระงับเสียเหมือนกันก็ระงับง่ายเข่าเพราะถ้าอย่างเบาถ้า แ, แรงก็ระงับยาก และก็ดูธรรมะที่เป็นวยกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตก็คือการที่ปฏิบัติทำสติทำสมาธิทำปัญญานี่แหละมีสติยังไงมีสมาธิอย่างไรมีปัญญายังไงน้อยอยู่ก็เสริมให้มากขึ้นแล้วก็รักษาไว้แล้วก็เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปโดยลําดับนี่ก็เป็นกุศลธรรม คนนี้ธรรมะที่เป็นกลางๆนั้นเราก็กําหนดพิจารณาขันอาจิตนะนี้เองก็เป็นอันว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมะทั้งหมดนี่มารวมไปเป็นตัวธรรมะได้ทั้งนั้นสําหรับที่จะพิจารณาดูเมื่อจิตกําหนดเอาอะไรขึ้นมานั่นก็เป็นธรรมะในจิตทางนั้น จิตกำหนดกายขึ้นมากายก็เป็นธรรมะในจิตจิตกำหนดเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมะในจิตจิตกำหนดจิตเองจิตก็เป็นธรรมะในจิตและจิตกำหนดตัวธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลหรือเป็นกลางๆนั้นเองธรรมะนั่นก็เป็นธรรมะในจิตก็เป็นอันวัดทั้งหมดก็รวมเข้ามาเป็นธรรมะกับจิตนี้เอง ก็รวมเข้ามากรงนี้คราวนี้โดยปกตินั้นอากุศลธรรมในจิตมักจะออกหน้าอยู่เสมอแต่ในบางคราวากุศลธรรมก็ออกหน้าเหมือนกันแต่ว่าทั้งจิตสามมันของสามมันในชนแล้วอากุศลธรรมมักจะออกหน้าอยู่เสมอะฉงนั้นพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสสอนให้กําหนดจับดูตัวอากุศลธรรมในจิตลำรับในมหาสติปัฏฐานั้นสวดก็เริ่มตั้งแต่นิวรคือนิวรห้านิวร น, นั่นตามศัพท์ก็แปลว่าเครื่องกั้นคือกั้นจิตเอาไว้ ไม่ให้ได้สมาธิและกั้นปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้เก่กามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสพจภปาฏิณาารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายพยาบาทคือความมุ่งร้าย กิจวิบัติกิจถึงความวิบัติไปด้วยอำนาจของโทสะทีนมิทะความงุงงุนเคลือบเคลื่ออุทธะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาความเครื่อบแครงสงสัยต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องกันจิตไม่ให้ได้สมาธิปิดบังปัญญาไม่ให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติทำสมาธิปฏิบัติทำสติปัฏฐาน จิตไม่ได้สติตั้งมันในกายในเวทนาจิตธรรมไม่ได้สมาธิก็เพราะระงับนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์เข้ามาปกคลุมอยู่เต็มจิตสติยังลงไม่ได้สมาธิตั้งลงไม่ได้ ไปติดอยู่ที่นิวร์นิวร์เต็มอยู่หมดบางคราวก็เป็นตัวกามาชันจิตมีกังวลห่วงใหยอยู่ในกามต่างๆจะเป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุก็ตามที่รักใครที่พอใจ รากออกไม่ได้รวมจิตเข้ามาเมื่อไรก็รวมไม่ได้จิตวิ่งออกไปเกาะอยู่ในกามบุคคลในกามวัตถุนั้นๆอยู่ตลอดเวลาหรือบางคราวจิตมีความ กระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองคอยแต่จะมุ่งร้ายออกไปอยู่เสมอด้วยความโกรธกนในกามวัตถุในกา ม, กามบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละไม่ใช่ในที่อื่นเพราะว่ารักอยู่ที่ไหนชังก็อยู่ที่นั้น มีความใคร่อยู่ที่ไหนความโกรธก็มีอยู่ที่นั่นและในขณะเดียวกันความหลงก็ยังมีอยู่ด้วยอันพึงกล่าวได้ว่าหลงรักหลงชังก็เพราะหลงนั่นเอง จึงเกิดความรักความชังขึ้นมาแต่ว่าเมื่อความรักหรือความชังผอกหน้าก็ยกเอาความรักความชังขึ้นมาพูดเป็นราคะหรือโลภะเป็นโทสะในบางคราวความหลงออกหน้าไม่รู้สึกว่ารักว่าชังอะไรแต่ยังหลงอันปรากฏเป็นความสยบติด มันปรากฏเป็นความไม่รู้ในสิ่งนั้นดังนี้ก็เป็นตัวความหลงบุคคลเรานั่นเมื่อยังไม่ปรากฏเป็นรักเป็นชังก็มักจะอยู่ด้วยความหลงคือด้วยความไม่รู้เห็นได้ชัดมาก สมมติว่ามีใครเขาจะสันเสริญมีใครเขาจะนินทาเมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้จึง เ, เฉยๆอยู่ไม่ชอบไม่ชังแต่ทัานรู้ว่าเขานินทาก็โกรธขึ้นมารู้ว่าเขาสันเสริญก็ชอบขึ้นมาก็เป็นชอบเป็นชังไปอีกอย่างหนึ่งไม่รู้นั่น แม้จะมีเรื่องบางเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชอบชัดๆก็ชอบแต่เป็นเรื่องที่ชวนให้ชังชัดๆก็ชังถ้าเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆไม่ชวนให้ชอบไม่ชังชัดนักก็เฉยๆแ้วก็เฉยด้วยความไม่รู้อีกเหมือนกันคือไม่ได้พิจารณาให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านั้น แม้ว่าจะยังไม่ชวนให้ให้รักหรือให้ชังก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งต้องเกิดต้องดับเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณดาดังนี้ก็เป็นอันว่ารู้เมื่อรู้แล้วเฉยนั่นก็เฉยได้ความรู้ และแม้ในเรื่องที่ทำให้ชังให้ชอบเราก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาให้รู้จักว่าแม้เรื่องที่ทำให้ชอบให้ชังนั้นก็เป็นสังขารคือสิ่งะสมปรุงแต่งเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็เฉยได้ไม่ชอบไม่ชังก็เป็นเฉยด้วยความรู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเฉยด้วยความรู้แล้วก็เป็นเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามก็เฉยได้ทั้งนั้นเรื่องที่น่าชอบก็ตามเรื่องที่น่าชังก็ตามเรื่องที่เป็นกลางๆ ก, ก็ตามก็รู้หมดว่าเป็นขานคือสิ่งประสมปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงดังนี้จึงจะเป็นความเฉยที่ประกอบด้วยความรู้ที่ตองการเรียกว่าเป็นธรรมปฏิบัต แต่ว่าความเฉยด้วยความไม่รู้นั้นไม่ใช่เป็นธรรมมปฏิบัติเป็นขึ้นเองใครๆก็มีได้ทั้งนั้นมีใครเขาสนเสิร์ฟเขานินทามไม่ได้ยินก็เฉยหรือคนหูหนวกเขาว่าอย่างไรกรงกรงก็ไม่ได้ยินาาก็เฉยเขาด่าก็เฉยเขาชมก็เฉยเพราะไม่ได้ยินถ้าได้ยินเขาก็ต้องโกรธหรือต้องชอบแต่เพราะไม่ได้ยินดังนี้เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ รรมปฏิบัตินั่นต้องการให้เฉยด้วยความรู้จึงจะเป็นอุเบกขาอันถูกต้องในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นตัวพยาบาทยังเป็นนิวรณเช่นเดียวกับกามาชันเป็นนิวรณ์ ครานี้แม้ว่าจิตจะไม่ปรากฏว่ามีก ร, รมฉันไม่มีพยาบาทก็ยังมีถีนิ้มิทะคือความงุ่งวุนเคริบเคลิมอันความงุ่งงุนเคริบเคริมนี้มา ก, กับความสงบโดยมากดังจะพึงเห็นได้ว่าถ้าดูหนังดูละคร อันเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้ยินดีให้ยินร้ายแล้วคือก่อให้เกิดการมาชันบ้างก่อให้เกิดพยาบาทบางตาสว่างแต่ครั้นมาฟังเทศที่เป็นเรื่องสงบไม่มีอะไรที่น่าชังไม่มีอะไรที่น่าชอบไม่มีเรื่องที่จะก่อให้เกิดราคะไม่มีเรื่องที่จะเกิดให้ก่อโทสะก็เป็นเรื่องที่หากันว่าจืดชืดไม่มีรส คือไม่มีโทสะไม่มีราคะก็าหาว่าไม่มีรถคนทั้งหลายหาว่าจืดชืดเมื่อมาฟังเข้าแล้วเมื่อไม่มีเรื่องที่ทําให้ใจขึ้นขึนลงลงให้ตื่นเต้นด้วยอารมณ์ราคะอารมณ์โทสะเป็นต้นแล้วก็เป็นความสงบง่วงก็มากับความสงบฟังเทศจึงมกักจะง่วงนอน ฟังธรรมะจึงมักจะ ง, ง่วงนอนเพราะความง่วงจึงเป็นตัวทีนินมิะเหล่านี้มากับความสงบเมื่อเป็นความง่วงขึ้นมาดังนี้แล้วแม้จะฟังเทศซึ่งเป็นเรื่องสงบแม้ว่าใจจะสงบแต่ง่วงก็มาเสแล้วเมื่อง่วงมาเสแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องก็หลับหรือกระมกระเทมเถืถ่อเิมไม่ปลอดโปร่ง สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งถ้า ง, ง่วงไม่มาก็เป็นฟุ้งซ่านไปขณะฟังเทศหรือขณะทำกรรมฐานฟังธรร ม, รมบรรยายซึ่งล้วนเป็นทางสงบไม่ง่วงแต่ว่าใจก็ไม่อยู่วิ่งออกไปหาเรื่องที่ก่อให้เกิดราคะบ้างก่อให้เกิดโทสะบ้างต่าง เป็นเรื่องที่ลวงมาแล้วบ้างเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นบ้างที่ปั้นขึ้นมาเองบ้างก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอุทธจัจจคุณจากความพุ่งส ร, ร้างราคาญหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดความเครื่อแนแปรสงสัยต่างๆเพราะความไม่รู้อยากจะรู้ขึ้นมาก็สงสัยอปนความเครื่อแนแปรสงสัยนี่ มักจะเกิดจากการที่ยังมีความยึดถือว่าตัวเราของเราก็มักจะมีความเรลิดเพลงนสงสัยอยู่ในเรื่องตัวเราของเราที่ยังไม่รู้ต้องการจะรู้หรือบางทีก็มีความเพลิดเพลงสงสัยอยู่ในทางปฏิบัติต่างๆยังไม่มั่นใจลงไปไม่เข้าใจก็เรลิดแพลงนสงสัย แต่ว่าความเครือบแปรสงสัยนี้บางอย่างก็เป็นประโยชน์รถททำให้ค้นคว้าศึกษาแต่ก็ต้องรู้จักการละเทสะในขณะที่กำลังต้องการให้จิตเป็นสมาธิหรือทำสมาธินั้นก็มุ่งที่จะรวมใจเข้ามาให้สงบอย่างเดียวยังไม่ต้องคิดจะไปตั้งปัญหาแก้ปัญหาโน้นแก้ปัญหา น, หานี้เพราะไม่ใช่เป็นเวลา แต่เมื่อขึ้นไปตั้งปัญหาคิดไปแก้ปัญหาขึ้นก็เป็นความเครื่องแพลงสงสัยต่างๆก็ทำให้ใจรวมไม่ได้เพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งปัญหาที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความเครื่องแพลงสงสัยเพราะฉะนั้นนิวอณ์ต่างๆเหล่านี้เองก็เป็นอกุศลธรรมในจิตซึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อดูจิต เมื่อวาดถึงสามมัญชนก็จะต้องพบนิวรณ์อยู่เสมอก็จะต้องมีหน้าที่รำงับนิวรณ์เหล่านี้ลงไปให้ได้ให้จิตว่างนิวรณสติจึงจะตั้งลงไปได้สมาธิจึงจะตั้งลงไปได้แต่ก็ต้องอาศัยสติสมาธิตอกลงไปด้วยความเพียรพยายามที่ไม่หยุดยัง้งและด้วยความเพียรที่แรง ไม่หยอดท้อคือพยายามที่จะตอกสติตอกสมาธิลงไปในจิตไม่ไม่ไม่ไมอดทิ้งและไม่ยอมที่จะปล่อยให้จิตเป็นไปตามอ่นาวของนิวรจนวันนั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้เที่ยวไปในการมาชันในพยายบาทหรือปล่อยใจให้หลับให้ง่วงเหงาให้ซึมกระทือยดู หรือว่าปล่อยใจให้ฟุง้งซ่านหรือว่าคิดตั้งปัญหาแก้ปัญหานวดแก้ปัญหานี่ใจก็เลยหลุดลอยไปการทำสมาธิดังนี้มีโทษก็เป็นการปฏิบัติที่ทำใจให้เลื่อนลอยหากว่าปฏิบัติไปมากวิธีนี้แล้วจะกลายเป็นได้ผลคือความที่มีใจลอยอยู่เป็นปกติซึ่งมีโทษมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ สมาธิต้องพยายามละความใจลอยนี้ต้องเอาใจเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิกำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมโดยเฉพาะถ้าในข้อธรรมะนี้ก็ดูนิวรณ์เหล่านี้เองให้สงบลงไปให้ได้ดังนี้แหละจึงจะถูกทางเมืม่อการปฏิบัติถูกทางดังนี้แล้วในที่สุดก็จะสงบนิวรได้จิตก็จะได้ ส, สติ ได้สมาธิแปล ว, ว่าสติตั้งได้และสมาธิก็ตั้งขึ้นมาได้ต่อไปนี้ก็ต่อให้ตั้งใจงฟังสตรและทงความสงบสืบต่อไปบัรนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ได้จริงเพื่อล่วงความโศกความรนจุนใจ ได้จริงเพื่อดับทุกขโทมนัสได้จริงเพื่อบรรลุธรรมะอันถูกชอบได้จริงเพื่อกระทาแจงพระนิพพานได้จริงเพียงแต่ ให้มีความเพียรมีความรู้ตัวมีสติปฏิบัติกำจัดความยินดียินร้ายต่างๆตามทางแห่งสติปัญฐาน แม้ว่าจะตั้งใจปฏิบัติ ร, รมสติตั้งสติเมื่อสติตั้งขึ้นได้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมแม้เพียงชั่วครู่ชั่วขณะก็ทำให้ได้รับความบริสุทธิ์ ได้รับความดับถุกร้อนได้ชวดครู่ชั่วขณะจริงและการปฏิบัตินั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วจะปฏิบัติมาตั้งแต่กำหนดลมให้ใจเข้าออก หรือจะจับปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นปัจจุบันกายที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันและธรรมะที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้เป็นข้อที่พึงตั้งสติและทั้งสี่นี้ก็เป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันอันไหนออกหน้าจะจับอันนั้นขึ้นมาตั้งสติเพื่อดับทุกข์ร้อน ดังนี้ก็ใช้ได้ว่าถึงหมดธรรมะพระพุทธองค์ได้ทรงยกนิวรณขึ้นเป็นหมดแรกก็เพราะว่าเป็นอกุศลธรรมที่บังเกิดอยู่ในจิตของบุคคลเป็นประจำ และก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันข้อนั้นบางข้อนี้บางขอรักบังขอชังบังของ่วงบังขอฟองบังขอสงสัยบังและนิวรณ น, นี้เองที่จะพึงปฏิบัติรำงับเสียให้ได้ ยังจะตั้งสติได้ในสติปัฏฐานถ้าหากว่าระ ง, งับไม่ได้สติก็จะไปตั้งอยู่ในนิวรณ์นิวรณ์พาสติไปเมื่อนิวรณ์พาสติไปก็เป็นมิจฉาสติไม่เป็นสติปัะฐาน ต่อเมื่อสติระ ง, งับนิวรณ์กงจะเป็นสติประธานและเมื่อระ ง, งับนิวรณ์ได้ก็จับพิจารณาขันธาตต่อไปได้สะดวกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาขัน ถัดจากที่ให้ปฏิบัติระงับนิวรณ์ปฏิบัติระงับนิวรณ์นั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะเมื่อมาจากพิจารณาคันก็เป็นอันว่าในปฏิบัติทางปัญญาหรือวิปัสสนา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้มากำหนดพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นความดับ ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะหัดกำหนดให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้น ก็คือรูปประกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูต ร, รูปและอุปาทายรูปมหาภูต ร, รูปนั้นแปล ว, ว่า รูปที่เป็นแล้วใหญ่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนที่แข็งแข็งในกายนี้ก็เป็นธาตุดินส่วนที่เออบาบเหล้วไหลก็เป็นธาตุน้ำ ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมเมื่อกําหนดโดยเป็นธาตุดังนี้ก็เป็นมหาภูตา ร, รูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่คือที่เป็นของที่เป็นแล้วใหญ่ อุปาทายรูปรูปอาศัยก็คือรูปอันละเอียดที่อาศัยอยู่ในอุปาทายรูปนี้นั่นเองที่อาศัยอยู่ในมหาภุทธรูปนี้นั่นเองก็เป็นต้นว่าประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทเล่นประสาทกาย รูปเสียงกลิ่นรสพลธัรมะที่คู่กันเป็นต้นรวมเรียกว่ารูปและเพราะเหตุที่เป็นสิ่งที่ต้องย่อยยับไปได้จึงเรียกว่ารูปเพราะคำว่ารูปนั้นแปลว่าย่อยยับไปได้ ทำลายไปได้รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่ย่อยยับไปได้ทําลายไปได้เมื่อเกิดก่อเป็นรูปขึ้นมาตั้งแต่เป็นกะละในคันของบรรดาบรรดาธาตุดิดนน้ำฝอยลมก็เข้ามาพอกพูน เติบใหญ่ขึ้นจนถึงคลอดออกมาแล้วก็เติบใหญ่มาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันเมื่อย่อลงแล้วก็เป็นมหาภูตา ร, รูปส่วนหนึ่งเป็นอุ ป, ปาทายรูปส่วนหนึ่งดังที่กล่าวนั้นและชื่อว่ารูปก็เป็นสิ่งที่ต้องจารุดสุดส่ง เพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นอย่างนี้เวทนานก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข